ตัดสินใจเร็วรพินมันบ่ายหน้ามาทางเราแน่เชิดาร้องบอกอย่างกระสับกระส่ายผ่านใหญ่กัดลื่นฝีปากแน่นเลียวไปรอบตัวอย่างรวดเร็วแล้วชี้มือไปอยังเนินผาฝั่งตรงข้ามของด่านซีกหนึ่งสั่งการเป็นรถไฟด่วนทุกคนพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดตรงไปที่หินใหญ่บนเชิงผานร่นไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นทิ้งให้หมดนอกจากปืนประจำตัวเท่านั้นความฉับไวและพร้อมเพรียงมันเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์อันเปรียบเสมือนบทเรียนให้ฝึกหัดตนช่ำชองคุ้นเคยกันมาอย่างดีแล้วทั้ง11ชีวิต ที่เคยร่วมเป็นร่วมตายลักษณะไม่ผิดอะไรกับหน่วยทหารที่ผ่านการซ้อมมาจนเจนสนามทุกคนคล่องตัวและสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับมหานตาภัยที่จะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีอย่างอิสระโดยไม่มีใครเป็นภาระให้ใครจนเกินไปนะัก พวกลูกหาบทั้งสาคู่ทิ้งสัมภาระพุ่งเข้าหาเชิงพาอันปริเวณที่ชันงอกเก็บ ก, กะไปด้วยคนหินน้อยใหญ่ไวเหมือนลิงใช้ถาผักน้องสาวให้แล่นนำไปเบื้องหน้าในขณะที่ชายยันก็ฉุดแขนมาเรียรเพนตามติดไปเป็นคู่สุดท้ายเหลือพานใหญ่เป็นบุคคลที่ล้าหลังสุดยืนหันดีหันควางสำรวจไปรอบตัวอยู่อุกอิจใจก็วิ่งใต่โขดหินตามมาเพีนคู่เดียวทั้งสิบคน ก็ปีนซ่อมหินบนเชิงผาขึ้นมาซุ่มตัวในระดับที่สูงกว่าทางเบื้องล่างประมาณ10เมตรเชษฐาสั่งให้กระจายแยกกันประจําที่เรียงรายเป็นแถวหน้ากระดานโดยเว้นระยะช่วงห่างกันราว 5-6 ก้าวมีก้อนหินและพุ่มไม้เล็กๆเป็นที่กําบังทิศทางสามารถมองไปเห็นทางด้านล่างที่เข้ามาบรรจบกันเป็นสามแง่งตรงตําแหน่งต้นพิกที่นหนูยักษ์นั้นอย่างถนัดชัดเจนชา ย, ยันเหนี่ยวกิ่งไม้ไว้ช้ ง, งอกตัวส่งพานไรเฟิลของเขาลงไปให้ระพินผู้กําลังไต่ก้อนหินชันมาเป็นคนโหลเพื่อน ออกแรงฉุดดึงตัวขึ้นมาโดยมีเชิฐาไดมาเรียคอยช่วยหิ้วผ่านใหญ่ปิดแรฟเฟิลจุด4 5 8ประจำตัวที่สะพายไหลยลงพิงไว้กับก้อนหินคงถือไว้เฉพาะจุด4 6 0เวดเทบีอันเป็นแรฟเฟิลที่แงส า, ายทิ้งไว้และเขาถือติดมือมาตลอดไต่ขึ้นไป เอาเท้ายันอยู่บนโคนหินใหญ่ลูกหนึ่งเพื่อมองลงไปข้างล่างให้ถนัดที่มั่นของเขาอยู่ในระหว่างกลางของชายันกับมาเรียราชสกุลสองพี่น้องยึดกำบังห่างออกไปทางด้านซ้ายส่วนอีกหกพันกระจายเรียงรายอยู่ทั้งสองด้านรัฐพินเสียงหัวหน้าคณะร้องเรียกมาเบาๆครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณเป็นคนตัดสินใจเราจะฟังสัญ ญ, ญาณจากคุณครับเขารับปา ปาดแขนขึ้นเช็ดเหงือ่อตารูกโพงจับนิ่งไม่กระพิบไยายางทางเบื้องล่างไลฟ์ร์พาดเตรียมพร้อมอยู่บนแง่ขดหินซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกับผู้ร่วมคณะทุกคนไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาทั้งสิน้นนอกจากหัวใจที่เต้นระทึกไม่สามารถทำนายเหตุการณ์่วงหน้าได้สำหรับอนาคตที่กำลังคืบก้าวเข้ามาอย่างผิดวิก